กนี้เป็นกานสำคัญต่การปรกาศเสนอเยื่อเามาฆ่าการทุกคนตงรู้เป็นงานสำคัญใที่จะปรกาเสนอต่อาการประกเป็นประเด็ไข่ของเราไม่หยุดพักปราศรัยนื้อเงื่อนต่างๆเหยื่อจะได้ัว่างแต่วลาด เราเรกเป็นขุนขุนก็จุใจจ่าั้งแมาชาบชาเป็นวันต้องพนางป่าสนหัหนึ่งนุนแล้วแตยังษาดูชาหนุนไปเป็นวันต้งพันทางป่าสนหาดูชาสาวันที่เกี่ยวข้องกับมือใจจ่า ตบูาเยื่อตระะเจาและตาดิยาสงอย่างคือเจคือเจจะแบ่งกนมาทุกทีคือมพระสงอาลียาสงนึ่งพันองร้อยเรียมบัตสึตระกูลพระเจ้า เราณพระเป็นนั่งนิ่งดิบีเดบนฐานเตมแ่ังเี้ยอาจจะเต็มเบี้ยแบบหยกพระหล่านั้นก็เมีายอ่้นายนิมนต์งเอกดนเดินไปรุทธเจ้าอู่บบเดือดวันกลิ่นไหลสุดข คพรจากเหมืากับพระเจ้าพระสงฆเนีเริ่กันหลายองคแต่พระจ้าพระสงเหล่านั้นเหมือนารเจ้าพรเสงของเราคือผนเป็นภาระเหอนมีอุปถก็แต่องเดียวเสียวเรู้สึกตค่นเบลส์ตเบลา่ยตุ่นมีบุกจนตื่ คิดว่องไม่สมดต่างคนต่างเองก็ลุกจากที่เรืการทาวิจติมยศของพระพุทธเจ้านั้นจำนวนละมากขนาดนั้นและเป็นพรอรหันต์ตั้งหลบดูเหมือนจะมีทางเดียวนั้นนอกนั้นก็มีเร่องอื่นผสมต่ต่างกันอยู่สพระอุจิชนและโสดาติยิาคาณาคา นั่นเป็นสารของน้ำหมดแต่เมื่อพนร้อ้าสิบอแล้วเบยือที่ขู่อุปสมาคือเบียดเาะนตติจารเบียดให้ไม่ใส่เบียดนจากที่อื่นเป็นติดของเป็นจตมหาลของตจากทั้งหมดมาเรียนกันในการั้งคันนั้นวุตติจาก็ เอว่างตรต้นนั่นเอว่าตัิโมเอว่าติโมนั้นเป็นหัวใจของตาสนะสิ่เสเป็นหัวใจสำคัญตลอดทีังนี้กตังเอว่างตรงนัเเอว่าติโม เราันทร์ปัจจัตตปัจจัพตาปัจจัารนากุศลศูัจจทาปัจจิตะปิโยปตจัาเทังสุภาณะสนาพระพทเจาะุองัรรกอยังสอย่างนั้นคือเป็นหัวใจสำคัญามอย่างนั้นคืออะไรปััตาปัจักราหมายถึงว่า เริ่มจากเชืจากโวกจากมาศึกหน้ยเป็นภาษาไทยของเราความเชื่อทุกอย่างาาเร า, า, ง า, งาเริ่มไม่ว่าทางซ้ายไมว่าทางขวาไม่ว่าทางซ้ยพยายามเนพยายามดีพยายามนะอย่ า, บบางความเชื่อเ ห, ห ล, ะนะล่านั้นมาเกี่ยวา้อง ใทองตุนี่เป็นคำสอนท้องพุติเจ้าคำสอนอันนี้ก็ม่ใช่เว่าพุตเจ้าจะเก็บภาสีจากคนที่ไปปรดับรัดต่างหรนใจแพทิบโดยเฉพาะก็คือสอนให้คนที่ละเชื่อเริ่มเชื่อละบาเบานั้นในรับ ควสบายไม่มีใครสะอาดโจยตำหนิมินคาเปลือกต้องเลอกเอวเมื่อที่เจ้ามาแล้วก็ไม่เดร้นใจเพราะไม่ได้ทำโดยพิดยทางเชื่อางบาทาปุนอ่นอึงามยิเอบาคือสอนคนรู้ักหลชื่อนั้น เันเป็นทิศเป็นไทยามจิตทใจสองคนผูกับเรื่ปฏิบัติได้รับทุรับโทษในปัจจุบันเปลตัวเองกว่านหนึการทาการสืบการชุกน้องตัวนอกจากนั้นผมเนี่ยอาแนความเป่ยต่อมโทษตื่เกิดทุกขจากน้อยลบหมดเมื่อนอกจากนั้นก่อไปเปลือน สิวตายสัตว์สิวานหรือเกิดเป็นคนเกาะเป็นคนอยู่อาภาพอับจนเรามีเจตีตัณยามีฐานะก็บของเงินทองกับเขาเปนคนตื่โรคตืท้ายหลตามจิตอยู่คชื่อเหลยเชื่อเป็นคิตเป็นโทเราคะอพจ่าเจนหัวเล่น นหมดหนึ่งอยู่ที่ผู้จากสอง